เพราะความเจริญในธรรมจะงมีแต่ท่านผู้ฟังทท้านั้นแต่ร่มประโพธิญาณได้เสนอเรื่องกรรมสักกตาสมาธิสืบต่อกันมาโดยลำดับมาถึงช่วงที่เป็นผลหรืออนิสงค์ของกุศลละกรรมแต่เนื่องจากเห็นว่าเรื่องกฎของกรรมเป็นหลักการสำคัญในพระพุทธศาสนา พระพุทธศาสนาเป็นกรรมวาชีคือกล่าวการกระทำว่าเป็นการกระทำที่จำแนกเป็นการกระทำหลักไว้สองกลุ่มคือการกระทาที่เรียกว่ากุศลกรรมหรืออกุศลกรรมในกล่าวในด้านการแสดงออกก็ทางกายทางวาาิชาทางใจก็ แ, แสดงว่า ความเป็นกรรมก็เริ่มจากเจตนาคือความจงใจคิดจงใจทาจงใจพูดแม้แต่จงใจคิดก็ถือว่าเป็นกรรมแล้วในกรณีของการให้ผลนั้นก็บางครั้งบางคราวก็ส่งจําแนกไว้โดยปริยายเป็นนั้นมากจะ่ตามปกติแล้วเวลาไปบรรยายปรบในที่ใดก็ตาม คำถามที่แน่นอนที่สุดคือลงตัวที่สุดว่าต้องมีเนี่ยก็คือคำถามเรื่องกรรมแล้วก็ถามค่อนข้างสลับซับซ้อนเรื่องเยอะไปหมดในสังคติสูตรที่พระสารีบุตรท่านรวบรวมเอาไว้กุา้าทรงจำแนกกรรมไว้ตามสุงควรแก่เหตุก็คือกุศลกับอกุศล หรือใช้คําง่ายๆว่ากำไฟดําดมีวิบากเป็นไฟดำํำให้ความมเจตนาที่เป็นอกุศลบางเกิดขึ้นจะทําไปด้วยความโลภความโกรธความหลงความลิษยาขาดพยาบาทอะไ ร, ะไรตา่างจะมีผลดําคือผลออกมาเป็นความทุกข์ความทุกข์ในขณะนั้นๆความทุกข์ในขณะต่อๆไปตลอดถึงในภพชาติต่อๆไป ในกรณี น, นี้เวลาทรงแสดงถึงโทษของอกุศลข้อรองสุดท้ายกับข้อสุดท้ายเนี่ยจะมีข้อความซ้ากันข้อรองสุดท้ายก็บอกว่าสัมุนโขกหลังกะโรติคือจะเป็นผู้หลงทำการลกิริยาตายแล้วข้อสุดท้ายก็จะบอกว่ากายยะสะเพดาปรนมนาทุกต ah ิ่งวินิบาตังหรืออย่างอบปกะจิต เบื่อหน้าแต่ตายพระกายแตกจมเข้าถึงทุกขติวินิบาตนรกอสุรกายเป็นการแสดงเห็นว่าเหตุกับผลนั้นมีความสอดคล้องกันแล้วก็ไม่มีความกัดแย้งกันอีกอย่หนึ่งคือกรรมที่เป็นฝ่ายขาวมีวิบากเป็นฝ่ายขาวหมายความมาเริ่มด้วยกุศลลเจตนาเช่นสมมติว่า จเจริญด้วยศรัทธาจเจริญด้วยศีลจเจริญด้วยการศึกษาสดับวกฟังจเจริญด้วยจาคะฆะได้จเจริญด้วยปัญญาธรรมะกลุ่มนี้เราจะได้ยินชื่อปรากฏอยู่ในที่ต่างๆไปนั้นมาท่านในกรณีที่มีสี่ข้อโดยตัดข้อที่สามออกไปนะฮะเอาข้อที่สี่มันเป็นข้อที่สาม โดยจงใช้กรรมาศัทธาสมบัาสมบูรณ์ด้วยศัท ธ, ธาทีละสมบัาสมบูรณ์ด้วยศีลจากข้าสมบัาสมบูรณ์โดยจากข้าคือความเสียสละและปัญญาสมบทตสมบูรณ์ด้วยปัญญ า, า, ญญญาทรงแสดงในรูปของสัมปราระกับถ้าประโยชน์คือประโยชน์ที่บุคคลจะพึงได้ในการต่อไปตลอดทั้งไหนพบชาติต่อๆไปเพราะแต่ละข้อพึงสังเกตว่าเป็น หลักธรรมในการขัดเกลากิเลสซึ่งตรงกันขาบกับตนยานสตาก็ขัดเกลาวความไม่เชื่อความเคลือแคลงสงสัยความโลภความโกรธออกไปโดยหลักหนักสีนั้นก็แน่นอนขจัดได้ทั้งโลภรมดลงจาคะก็สลับความโกรธความโลภปัญญาขาจัดความหลงเป็นหลัก แต่เมื่อหลงถูกกระจัดไปความโลภความกรัวก็ถูกกระจัดตามไปก็สรุปว่าธรรมะทั้งสี่ข้อเ น, นี้เป็นปฏิปกะธรรมหรือธรรมที่ส่งกันข้ามกับโลกดตรงบางครั้งก็ส่งแสดงสงแสดงในรูปของธรรมที่ทําให้บุคคลประสบความสําเร็จในสิ่งที่ตนประสงค์คือมายความเป็นเหตุได้เกิดผลดีงามในด้านต่างๆ บางครั้งก็สงสัยคำสุตตะเข้าไปเรืการศึกษาสดับสับฟังเป็นการพัฒนาปัญญาระดับการเรียนรู้กระระดับการคิดจนเกิดความเข้าใจในสาขาวิชาการเหล่านั้นก็เรียกว่าเป็นธรรมะที่ทำคนให้เป็นเทวดาเป็นเทวดาด้วยใจตลอดถึงตายไปแล้วไปบังเกิดเป็นเทวดา ปอนคำว่าวิบากที่เป็นฝ่ายขาวเนี่ยคือเป็นความสุขความสงบความเจริญก้าวหน้าความกเกษมเปรมปรีในชีวิตตลอดถึงตายไปแล้วไปบังเกิดในสุคติโลกสวรรค์อย่างที่เคยพูดเรื่องอ น, นิสงส์มาไว้ในวันก่อนเพื่อสังเกตว่าพวกนี้เป็นกลุ่มทำฝ่ายขาวเท่านั้นทานก็ดีศีลก็ดีศรัทธาก็ดีการฟังธรรมก็ดีการเจริญเมตตก็ดีเป็นกุศลธรรม บางครั้งท่านเรียกว่าสุขธรรมคือธรรมะฝ่ายขาวฝ่ายขาวก็มีผลเป็นฝ่ายขาวทีนี้บางครั้งบางคราวมันมีความสลับซับซ้อนเกิดตามซุ้มกวนกเหตุก็ใช้คำว่ากรรมที่เป็นทั้งฝ่ายดำฝ่ายขาวมีมิบาตทั้งฝ่ายดําฝ่ายขาวชีวิตของเราที่ขึ้นขึ้ น, นลงๆก็เราเชื่อมโยงกลับไปสู่เหตุแล้วก็จะเจอว่ามันมาจากเหตุที่แตกต่างกัน ทำให้วิถีชีวิตของคนบางครั้งมันมีความขัดแย้งกันอย่างตัวอย่างในสมัยพุทธกาลมีมหาวสิกาท่านหนึ่งก็มีความขัดแย้งกันในตัวท่านเองถึงสี่เรื่องด้วยกันแล้วเมื่อมีคนไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าก็ทรงแสดงให้เห็นว่านั่นคือการจับแน่ของกรรมทั้ง และเป็นการจำแนกของกรรมในรูปของการผ่านพบชาติมาเลยคือติดตามไปดูดเงาที่ติดตามบุคคลไปเธอเป็นหญิงสาวมีสติปัญญาเฉียบแหลมมากสามารถฟังธรรมะที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงครั้งเดียวแล้วก็ฟังแบบเทปมาเลยคือสามารถเตรียมนำมาเทศต่อให้คนอื่นฟังแล้วก็บรรลุมรรคผลเป็นประโูตา บ, บานได แต่ว่าท่านก็เป็นหญิงค่อมเด็กสาวหลังคอมนะฮะนึกดูกันแรกกันแสดงว่ามันเป็นชนุ ก, กรรมคือติดมาตั้งแต่กาเนิดเป็นหลังค่อมโดยกาเนิดแล้วก็เป็นหญิงรับใช้ของคนอื่นในขณะเดียวกันก็ถูกไยคลอกตายแต่นี่เราจะเห็นทันทีเลยว่ากรรมท้งดำท้งขาวนะให้ผลทางดำท้งขาว เวลาภิกษุไปกราบทูลถามพระพุทธเจ้าถึงการจำแนกของกรรมกร็ทรงแยกให้เห็นทีละประเด็นในกรณีที่เกิดมาเป็นหญิงหลังข้อมก็เกิดขึ้นจากผลของกรรมดำคือผลของอกุศลที่เธอเคยแสดงอาการล้อเลียนพระปัิเจกพุทธเจ้ารูปหนึ่งซึ่งท่านหลังข้อม เธอก็ขันน้ํามาเดินอุ้มแล้วผ้ามาคลุมตัวคล้ายๆกับจีวรแล้วก็ทําทีเป็นเดินบินาบาดกําหลังค่อมๆเหมือนการล้อเลียนพระประ เ, กะปะเิกับพฤติจากโดยบิบัติกรรมตัวนั้นก็ทําให้เธอเกิดมาเป็นหญิงหลังค่อมทีนี้การที่เธอต้องตกเป็นคนใช้ของคนอื่นหลายภพชาติเนี่ยจริงก่อนหน้านั้นก็คือตกนรก เพราะว่าเธอเคยใช้ภิกษุณีพระอรหันต์ให้ช่วยหยิบกระเจ้าหลอดดาวแหหลอดได้ให้ก็ใช้แบบคนใช้ไปใช้ภิกษุณีแบบคนใช้แต่ท่านก็เป็นพระหันด้วยก็โดวยวิบากกรรมตัวนี้ก็ทำให้เธอเกิดมาก็ต้องตกเป็นคนใช้ของบุคคลอื่นจริงภิกษุณีท่านก็รู้ แต่ถ้าหากว่าไม่ทำตามที่เธอใช้ในอาศัยที่เป็นลูกสาวของเศรษฐีมีตระกูลคือมีแต่คนตามใจนะฮะมีแต่คนเอาใจถ้าเกิดไม่ตามใจไม่เอาใจเึิดมาถึอเกลียดกล้าเธอด่าว่าภิกษุณีแล้วจะบาปหนักกว่านั้นวันการเป็นคนใช้คนอื่นก็นดีกว่าจะตกนรกหมกไหมอยู่นานแสนนานด้วยผลของวจีทุจริต ทสุนีท่านก็อนุเคราะห์ก็ยอมหยิบกระชา้าหลอดได้ให้วิบากกรรมในมันลดลงมาหน่อยแล้วก็ประการต่อไปก็คือที่มีสติปัญญาแหลมคมสามารถฝังเทศเดียวก็จำได้ไปเทศสอนคนอื่นได้มันเกิดขึ้นมาจาก เธอเคยฟังธรรมะจากพระปัจเจกับพุทธเจ้าด้วยแล้วก็ถวายวะไหลให้พระปัจเจกับพุทธเจ้าแปดรูปสมาปรองบาทซึ่งอานข้างในเนี่ยมันร้อนก็ก็ตักบาตรไดเข้าจากครูมันก็ร้อนท่านก็ถวายวะไหลให้รองมือและการที่เธอถูกฆ่าตาถูกถูกไฟครอกตายพร้อมด้วยทั้งหมดนะทั้งทั้งพวกบริวาร น, นางสามาวดีทั้งหมด S 1> <S 1> ก็เพราะในชาติที่ล้อเลียนพระปัเจกับพุทธเจ้าและถวายวันลอยนั่นเองเธอจุดไฟคือไปเล่นน้ําในแม่น้ําแล้วก็เกิดหนาวสั่นขึ้นมาก็ขึ้นจุดไฟเพื่อจะผิงไฟก็ลุกลามไปไหม้พระปัเจกับพุทธเจ้าซึ่งอยู่ในนิโรธสมาบัติตามปกติแล้วพระปัเจกับพุทธเจ้าคือท่านที่อยเข้านิโรธสมาบัตินัคนัหรือใครจะทําอันตรายอะไรไม่ได้เพราะว่า ชาญมันปกแผ่ไว้คือคุ้มครองไว้แต่พวกเธอเข้าใจว่าท่านมนาภาพแล้วก็เลยก็ขนไม้มาสุมเพื่อทาลายหลักฐานเขาทำลายหลักฐานคือครั้งแรกไม่มีเจตนานะครั้งที่สอง ม, มีเจตนาก็ทำให้เธอหมกไหมพวกเธอีหมกไหมอยู่ในนรกแล้วก็ถูกไฟครอกตายหลายภพชาติ แต่ในชาตนั้นที่จริงถ้าเป็นมระโสดาบันกันหมดแล้วนะก็ถูกไฟครอกตายคือเราเห็นว่าเป็นการจําแนกชัดเจนระหว่างกุศลกับอกุศลเพรากุศ ล, ก, ศ ล, ลกรรมเนี่ยจำแนกจนถึงบรรลุมรรคผลเป็นมระโสดาบันไปเลยแล้วก็มีสติปัญญาแหลมคมเป็นชนกกรรมและในขณะเดียวกันก็ปฏิบัติบัญญัติกรรเนี่ยบวกอาศัยวาสนาบา ร, รมีส่วนนี้ก็นําเธอไปสู่มรรคผล แต่บาปรกรรมเขาก็ตามมาแลเรียนพระประเจกับพุทธเจ้าก็กลายเป็นหิบดิงข้อมแล้วก็ใช้ภิกษุณีอรหันต์หยิบประชาชนหลอดได้ก็กลายเป็นคนใช้เขาเผาเพา่ต้องการทําลายหลักฐานเผาพระประเจกับพุทธเจ้าที่จริงไม่ไม่นิพานนะนะพอถึงเวลาท่านก็ออกจากนิโรธสมบัตท่านก็ไปตามปกติของท่านแต่ว่าไปประทุษร้ายพระเรียเจ้าระดับนั้นนะบาปกรรมก็แรง อันนี้คือคือชีวิตมนุษย์เ๋ยเราจะเห็นว่าจต ก, กรรมประเภทนี้จะอยู่เยอะแต่ว่าแนวที่เรียกว่าเคราะห์รา้ายไข่รุมผีซ้ำดำพรอยผีเรือนไม่ดีผีปะพร้อยมันก็แนวกรรมดำให้ผลดำแต่แนวตัวเนี้ยมัน ม, มีลักษณะเป็นคลื่นถือเอานิยายไม่ได้เอาดีสมบูรณ์ไม่ได้เอาชั่วสมบูรณ์ไม่ได้ ประการที่สี่นั้นท่านเรียกว่ากรรมที่ไม่ดำไม่ขาวมีพิบัติไม่ดำไม่ขาวย่อมเป็นไปเพื่อความสิน้นกรรมอันนี้ก็หมายถึงการเจริญในอริยมรรคจนถึงจุดหนึ่งนะฮะได้โซดาปฏิมาคเป็นต้นเนี่ยกรรมมันก็ไม่ดำไม่ขาวแล้วก็พัฒนาไปจะถึงจุดหนึ่งแต่ไม่ดำไม่ขาวนี่มันต้องไปโน้นก่อนนะฮะไปถึงพระโสดาไปเป็นพระอราหันไปก่อนตรงนั้น ไม่มีกุศลไม่มีอกุศลไม่ใช่ไม่ไ ม, ไม่ไม่เป็นบาปไม่เป็นบุญนะฮก็เป็นศักร์ต่ว่ากิริยาแล้วก็จบลงที่การสิ้นกรรมซึ่งก็ยังเกิดขึ้นแก่พระพุทธเจ้าพระหันทั้งหลายที่บรรลุอันสวัยานะนะนี่ก็แสดงว่าเป็นการจำแนกประเภทดีๆแต่ว่าข้อที่ควรสังเกตนะว่า กรรมประเภทที่เรียกว่ากรรมกิเลสเนี่ย ท, ท่านจะแนกไว้แค่สีข้อเท่านั้นเองเพราะสี่ข้อเราจึงได้ยินซ้ำซากอยู่บ่อยๆแล้วพฤติกรรมที่เป็นขาวหนังสืพิมพ์เราจะเห็นว่าก็ซ้ําๆซ้ซําอยู่ตรงเนี้ยตลอดเป็นกรรมเป็นการกระทําที่นักปราดไม่สรรเสริญก็ได้แก่การละเมิดศีลสีข้อแรก เขาเรียกว่ากรรมกิเลคือเจตนาที่เกิดขึ้นแล้วทำใจเศร้าหมองพูดออกไปทาออกไปพวกนี้ทำเองก็ผิดนะชายคนหนึ่นงทำก็ผิดก็ เ, เรียกว่าสาหติกัประโยคนากนานติกับประโย ค, นนปโยคเป็นเรื่องใหญ่เป็นปนัญหาที่ขยายตัวเองออกไปกว้างใหญ่ไพศาลจนกลายเป็นศึกสงครามแต่ว่าเรามองคล้ายๆกับเป็นปนัญาญาประคอก แล้วก็จริงเราก็แก้ไม่ได้ร่าก่อนไปอบรมพวกนักศึกษาอะไรล่ะภาควันเสาร์วันอาทิตย์ะนะักศึกษาที่เป็นข้าราชการอยู่แล้วแล้วก็ไปเรียนเพิ่มเติมทำปริญญาเพิ่มเติ ม, ม, มก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่กันพอสมควรอนาะยุ ก, ก็สี่สิบกว่าลงมาจนถึงยี่สิบห้ายี่กขึ้นไปะนะ ตึกก็ตั้งปัญหาถามอย่างเงี้ยถามเรื่องความประพฤติของพระที่มีข่าวคราวในทางไม่ดีอยู่เสมอก็บอกว่านั่นนะสิขอใหลองคิดดูนะฮะพวกเราเนี่ยก็เติบโตกันมาขนาดนี้แล้วเราเรียนกันมามีตำแหน่งหน้าที่การงานมีครอบมีครัวแล้วก็มีวิุฒิภาวะสูงขนาดนี้แล้วถามมารักษาสีหน้าได้หรือเปล่า กยันที่เคยถามนักศึกษาที่หกการค้าประมาณสี่ห้าร้อยเนี่ยก็ตอบว่ไม่ได้นะไม่ได้เลยสักคนหนึ่งะฉะนั้นเราก็ตอบถามดูร้อยกว่าทันก็ไม่ได้เหมือนกันพระเนมก็คือชาวบ้านธรรมดาเนี่ยออกมาบดคือต้องปฏิบัติตั้งสองร้อยยี่สิบเจ็ดข้อไอ้สี่ข้ออย่างสีห้าข้ อ, อยังทํำกับไม่เคยได้สองร้อยี่เจ็ดข้อจะทําได้รดอดยังไงไม่ได้มาจากสวรรค์นี่นะ ก็ <K un> คนก็นธรรมดาก็ปิดปิดตุกๆไปก็อย่างนี้แหละแต่เขาก็เป็นไปตามกรรมของเขาโดยทำให้เกิดความคิดอย่างหนึ่งวันก่อนเนี่ยมันก็เดินผ่านไปก็ได้ยินคนคนหนึง่งก็พูดตาหนิคนอีกคนหนึง่งก็เรียกก็เป็นการนินทาก็รับหลังนะฮะก็ทำให้ฉุกใจได้คิดว่าเออมนุษย์เราเนี่ยก็แลง ยืนตรวจสอบร่างกายตัวเองอยู่หน้ากระจกนี่วันๆนี่เยอะเลยจนถึงกับต้องไปมีร้านเสริมสวยร้านแต่งผมร้านแต่งหน้าร้านอะไรอะไรอย่างย่างมากมายไกลกองเนี่ยบังกองดูข่าวเล็กๆแต่ว่าน่าคิดนะฮะว่าปันธโบโทรทักษิณ น, นี่ไปตัดผมคราวหนึ่งตั้งพันแล้วก็ทิพย์อีกสองร้อย โอ้ทำไมมันแผงจังแต่นั้นก็คือเราจะเห็นว่าเราแต่งข้างนอกนี่เยอะเลยเราสามารถตรวจสอบตัวเองแก้ไขปากตาคิว้วคางอะไรต่เราแก้ไขได้แต่ใจนั้นไม่คิดแต่งฮนะไปตรวจสอบใจคนอื่นเพราะร่างกายเราตรวจสอบตัวเราได้นะฮะพอใจไปตรวจสอบคนอื่นอคอยจะปิดคนอื่นคอยนินทาคอยกันแหนกันแน่คนอื่นไม่ได้วิเคราะห์ตรวจสอบตัวเอง เพราะเรื่องของกรรมในที่จริงมันดูที่ใจดูที่ความคิดเพราะว่าเจตนาเป็นกรรมเจตนาจะเป็นกุศลหรือกุศลก็ตามก็ถือว่าเป็นกรรมือการกระทาทีนี้ในประเภทของกรรมเนี่ยก็ยังนึกว่ามันน่าจะนำไปศึกษาไปรับรู้เรื่องกรรมสิบสองแล้วก็ เป็นในมหากรรมวิปังกระสูดกัจุลก ร, รมวิปังกระสูดเพื่อจะให้มีความหลากหลายแต่ว่าที่จริงเรื่องเดียวกันนะฮะเป็นการจำแนกแสดงว่าจะพูดช่วงไหนล่ะนะอย่างในกรรมสิบสองเนี่ยที่จริงเป็นการรวบรวมของพระาจารย์รุ่นหลังก็รวบรวมจากทีพระเจ้าทรงแสดงนั่นแหละแต่มาจัดหมวดหมู่ให้ดู คือเป็นคุณอุปการของบุรพาจารย์ในอนดีตนะที่ท่านช่วยเหลือเราได้เยอะยคือเราสมัยนี้เครื่องไม้เครื่องมือในการศึกษาค้นควา้ารวบรวมเรียบรียงมีเยอะเลยนะฮะแต่ขี้เกียจกันครูบาอาจารย์สมัยนั้นเขียนเองทุกตัวนะฮะท่านทํากันไม่เยอะเลยคือทุ่มเทชีวิตทั้งชีวิตนะเพื่อเพื่อจะรวบรวมก็นี่ลองสังเกตว่า เป็นสมมติว่าพูดเรื่องขันติคือความอดทนเนี่ยเวลาพราะพุทธเจ้าทรงแสดงนั้นจะทรงแสดงโดยนัยะใดนัยะหนึ่งเพียงนัยะเดียวก็ตามสุขวรแก่ผู้ฟังในขนาดนั้นๆพระโบราณอาจารย์ก็ไปรวบรวมมาไว้ว่าดูสิทรงแสดงไว้ในัยะใดบ้างเพราะเมื่อเราสังเกตติดตามดูแล้วก็จะพบว่ามันมีอยู่สี่นัยะใหญ่ๆ ในย่านหนึ่งก็คืออดการอดทนต่อความวิปริตแปรปรวนต่างๆจึงเกิดขึ้นโดยธรรมชาติมืนก่อนฟังข่าววิทยุว่าที่ประเทศดินเดียที่แผ่นดินไหวที่คุชราชเนี่ยตายทั้งเจ็ดพันจริงหรือเปล่ามโนนะฮะ น, น่าตกใจมากแล้วก็น่าจะตายได้เหมือนกันนะฮะถ้าแผ่นดินไหวเนี่ย นั่นก็คือก็ไม่รู้จะทำยังไงอะนะเราก็อยู่ท่ามกลางความวิปริตแปรปรวนของธรรมชาติเหล่านั้นก็ต้องพยายามอยู่ให้ได้ผ่านวิกฤตต่างๆให้ได้เราจะพบว่าอย่างเมืองของฝรั่งเนี่ยเขาวิกฤตมากกว่าเราเยอะเขามีแผ่นดินไหวเขามีภูเขาไฟระเบิดเขามีหิมะตกเขามีน้ำหลากเ็ามีลมภัยหนาวอะไรแต่สารพัดเเรายัางดีเยอะ เรื่องเหล่านี้มันก็ต้องอดทนเนาะยืนเดินการปฏิบัติภารกิจการงานต่างๆประสบความเหนื่อยยากลําบากอุปสรรคอันตราย ก, บากาบาับผนบ้างกับงานบ้างกายสภาพแวดล้อมต่างๆบ้างในอุปสรรคมันเยอะเลยก็เป็นภารกิจที่ต้องฟันฝ่าอุปสรรคเหล่านั้นไปให้ได้และร่างกายเรานั้นเป็นรังของโรคเป็นของเปิดหน้าปูพัง อยู่ในยาบดยาบดหนึงนานก็แย่แล้วมันก็ไม่มีอะไรนะะคือต้องทนเอาท่า น, นั้นเองคือบางครั้งบางคราวโรคภัยแค่เจ็บต่างๆมันเยอะเหลือเกินจนย้อนึกว่าในร่างกายี่มีแต่สารเคมีก็ไปอยู่เยอะถามหมอเมื่อไรจะเลิกสัก ท, ทีหมอว่าเลิกไม่ได้ก็แสดงว่าเราก็คงกินกันเป็นกิโลกิโลแล้วยาเนี่ย แต่ร่างกายมันก็เป็นอย่างนั้นเนี่ยมันก็อดทนเอาแต่ลักษณะที่ถือว่าใหญ่คือการอารมณ์ที่ย่ยุก็ยุ่นนะฮะย่อยวนให้เกิดกำหนัดย่อยวนให้เกิดความโลภว่าย่อยวยเกิดโทสะก็เป็นเรื่องที่ต้องอดการอดทนเอาคนนี้ท่านก็แสดงไว้ในที่ต่างๆกระจายกระจายกระจายอยู่ในพระคัมภีร์นั่นแหละ แต่ว่าปริยายเนี่ยจะส่งแสดงโดยปริยายบุรพาจารย์ในอดีตท่านก็รวบรวมมาเราก็ไม่ต้องไปโคตนมากนะไปดูจากการรวบรวมของท่านเราจะพบว่าครูบาอาจารย์ในรุ่นต่ อ, ตอมาในท่านก็รวบรวมเอาไว้เอามาจากที่ต่างๆมาจัดไว้ในหนังสือเป็นคำภีเป็นเล่มเล็กๆนะฮะเป็นเล่มเล็กบ้างใหญ่บ้างสมัคค้นคว้าองค์ธรรม เราต้องการพิสดารนะะเราก็ดูจากตรงนี้ก่อนแล้วก็กลับไปหาที่ปฐัยปิฎกแต่ถ้าไม่ต้องการพิสดารเราก็ดูตรงนี้ก็ได้ท่านบอกหน้าบอกเล่มอะไรแต่ไรไว้เสร็จต้องการพิสดารก็ไปดูไม่ต้องการพิสดารเราก็อ่านจากตรงนี้ได้หนังสือแนวนี้จะมีอยู่เยอะนี่คือมนูประการของครูบาอาจารย์ในอดีตที่ท่านได้ ทุ่มเทเวลาชีวิตจวบรวมศึกษาค้นคว้าแล้วก็มาแสดงเอาไว้เพราะนั้นทําให้เรามองมองปัญหาแล้วก็เกิดความเข้าใจเข้าใจได้ทั้งระบบวันเรื่องกรรมสิบสองเป็นเรื่องที่น่าน่าทําความเข้าใจแล้วก็รู้จักเอาไว้นะฮะเพราะว่าชีวิตเราก็อยู่ในแวดวงของกรรมเหล่านี้ต้องฟังเท่าไหร่ แต่รบพระโพธิญาณในวันนี้ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไัยบุญในธรรมจะมีแด่ท่านผู้ฟังทั้งหลายโดยทั่วกันสวัสดี